เมื่อวานครูบาอาจารย์เส้นไปอีกองนะหลวงปู่เอียนคนกรุงเทพไม่ก็รู้จักนะทั้งคนทางสุรินทนระ์รู้จักสายหลวงปู่ดุลสืบทอดกันมาได้หลายรุ่นแล้วจากหลวงปู่ดุลก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักอยู่ก็หลวงพ่อจิม หลวงพ่อคืนหลวงพ่อกิมถัดมาก็รุ่นหลวงตาผนึกก็ลงมาถึงตอนนี้หลวงผู้เย็นสิ้นไปเมาาื่อวานนี้หลวงพ่อตั้งท่าจะไปเยี่ยมท่านตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาติดเป็นลกปากเบี้ยวไอพอดีก็ต้องหาหมออยู่ตลอดเลยไม่ได้ขึ้นไป เมื่อวันอังคารได้ข่าวว่าท่านเป็นมากไม่ฉันอะไรแล้ววันพุอเลยขึ้นไปก็ได้ไปเจอท่านท่านนอนลูกศิษย์กาไปกระซิบบอกหลวงพ่อประโมทมาอะไรเงี้ยไปยักหน้าท่านพูดไม่ได้ สติดีมากๆเลยถ้านอนหลับตายตอนที่หลวงพ่อกราบท่านลูกสิษยบอกเนี่ยหลวงพ่อกราบเนี่ยท่านก็ยกมือรับไหวนะ้นอนเห็นผลของคารภาวนาอายุทั้ง้าสิบหนะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมารอนาภาพ สติท่านยังดีมากๆเลยร่างกายเราไม่ไหวแล้วลนะฉันเข้าต้มตอนเช้านะได้ห้าหกช้อนอะไรเงี้ยมากกว่านั้นก็อาเจีย น, น, นร่างกายนะ่ะขาดพลังงานขาดน้ำตาลขาดอะไรเงี้ยจะหลับหลับไปแต่สตินะสมบูรณ์จิตใจดีสว่างสวัย ท่านมรณภาพอย่างงดงามอีกองหนึ่งนะลูกศิษย์ที่กำลังพยายามสร้างเจดนะีสร้างไม่ทันนะนี่เวลาครูบาอาจารย์หมดไปสิ้นไปกนะ็เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราเพาเราประมาทไม่ได้นะมีโอกาสเรียนต้องรีบเรียน เรียนแล้วต้องรีบภาวนาติดขัดขึ้นมาถามครูบาอาจารย์ได้ก็สิ้นครูบาอาจารย์ที่เราลงใจให้นะเราไม่รู้จะถามใครต้องใช้ความสังเกตเอาเองครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อเรียนด้วยองค์สุดท้ายคือหลวงปู่สวั์ หลวงพ่อบวชได้พรรษาเดียวออกพรรษาที่ไปหาท่านเลยแล้วท่านก็สิ้นไปนะรวดเร็วก็ตั้งแต่พรรษาที่หนึ่งผ่านไปแล้วเนะนี่ยหลวงพ่อก็ภ า, าวนาเอาเองใช้ความสังเกตเอาใช้หลับที่ครูบาอาจารย์สอนสังเกตตัวเองไปเรื่อย ทำอะไรแล้วกุศลเจริญทำอะไรแล้วกุศลเสื่อมทำอะไรแล้วอกุศลจะเกิดขึ้นเกิดมากขึ้นทำอะไรแล้วอกุศลไม่ค่อยเกิดอะ่รเงี้ยสังเกตตัวเองได้ๆใช้โยนิโสมนสิการถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรที่เราลงใจได้เ ช, เชื่อมั่นได้ เราก็ใช้โยนิโสมนสิกาลสังเกตตัวเองเอาที่เราทำอยู่นียกุศลหรืออกุศลมันเติบโตมันลดละกุศลไหมมันพัฒนากุศลขึ้นมาไหมสังเกตตัวเองพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่ากระยาณมิตรนะเป็นทั้งหมดของอริยมรรค อีกข่าวหนึ่งท่านสอนบอกว่าโยนิโสมนานสิกาเป็นทั้งหมดเลยของอริยมรรคบทเต็มๆนั่นบอกว่าแสงเงินแสงทองเป็นเครื่องหมายแรกว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นความมีกัลยาณมิตรก็เป็นเครื่องหมายแรกแห่งอริยมรรคอีกคราวหนึ่งท่านก็บอกนะแสงเงินแสงทอง เป็นเครื่องหมายแรกของดวงอาทิตย์ว่าจะขึ้นแล้วโยนิโสมนานัสิกานี่เป็นเครื่องหมายแรกงั้นมีสองสิ่งนะที่ท่านพูดไว้ในฐานะเสมอกันเลยคือโยนิโสมนานัสิการกับกัลยาณามิตรสองงานนี้พวกเราดิ้นรนหากัลยาณมิตรที บางคนมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะกระยาณอมิตรสอนอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อดูหน้าแล้วไม่ใช่กระยาณอมิตรหรอกเราไปตั้งให้เขาเป็นกระยาณอมิตรเองจริงเพียนในยุคที่ครูบาอาจารย์หายากเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคือโยนิโสมนสิการแ ย, ยบใครในการสังเกตตนเอง เราทำอะไรแล้วอกุศลที่มีอยู่ดับไปอกุศลใหม่ไม่เกิดเราทำอะไรแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นกุศลที่เกิดแล้วเจริญขึ้นเนี่ยเราต้องดูว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเป็นตัวอยนโสมนัสิการที่สำคัญมากอย่างบางท่าน ฉันข้าวมากแล้วมืนภาวนามไม่ถูกเลยท่าก็ฉันข้าวน้อยลงท่านดูตัวเองทําไงแล้วสติเกิดนะสะติมเป็นตัวกุศลแล้วแหละบางองอดข้าวได้แนละแต่อดนอนไม่ได้อดนอนวันหนึ่งเนี่ยเบื่อไปสามวันเลยต้องนอน ช, ชดเชยท่านก็ดูตัวเอง ท่านอดข้าวท่านไม่อดนอนเนี่ยบงงค์ท่านอดนอนท่านไม่อดข้าวบางองไม่อดข้าวไม่อดนอนบางองค์ทั้งอดข้าวทั้งอดนอนท่านดูตัวของท่านเองไม่เราไม่ได้ดูคนอื่นนะสังเกตตัวเองทําอะไรแล้วกุศลเจริญนะกุศลดูง่ายๆสติเกิดบ่อยไหมสติเป็นตัวชี้ขาดเลยนะว่าเมื่อได้มีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลแน่นอน สมาธิไม่ใช่ตัวชี้ขาดนะจิตสงบเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นกุศลนะต้องระวังนะแต่ถ้ามีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกได้นี่เป็นกุศลแน่นอนแต่จิตสงบสว่างนิ่งสบายอยู่เฉยๆนะอาจจะเป็นโมหะก็ได้เป็นโมหะสมาธิก็ได้กุศลเนี่ยถ้าสติเนี่ย เป็นกุศลแน่นอนปัญญาเนี่ยเป็นกุศลแน่นอนวิญยาความเพียรชอบเป็นกุศลแน่นอนศรัท ธ, ธาไม่ใช่งมงายนะศรัท ธ, ธาเป็นกุศลแต่ตัวสมาธิเนี่ยไม่แน่ว่ากุศลหรืออกุศลม่นอย่างนักกรรมฐานที่ฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะยฝึกสมาธิกั น, นดูๆแล้วบางทีก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ฝึกเพราะไปฝึกผิด ไปฝึกเอาวิชฉาสมาธิเขาอย่างนั่งสมาธิแล้วก็เคลิบเคลิม้มลืมเนื้อลืมตัวอันนั้นเป็นวิชฉาสมาธินั่งสมาธิแล้วจิตออกนอกไปเห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรเนี้่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิที่เป็นสัมมาตัวสัมมาสัมมาเนี่ยต้องเป็นตัวที่เกือก้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลทั้งหมดน่ะ ถ้าไม่งั้ไม่เรียกตัวสัมมาสม า, สมาธิฐิเนี่ยมีความเห็นถูกต้องเกนะื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานสัมมาสังกัปปเนี่ยมีความคิดถูกต้องเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานสมมาสมาธิก็สมาธิที่ถูกต้องเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมีสองอันหนึ่งคืออา ร, รมัมมโนปนิชานอันหนึ่งเป็นรักขณูปนิชานประกอบด้วยสติ สติสำคัญมากนะเมื่อไราขาดสติเมื่อนั้นไม่ใช่กุศลไม่ใช่กุศลแล้วนั่งแล้วเคลิบเคลิมใจลอยลืมเนื้อลืมตัวมีกายลืมกายมีใจลืมใจใช้ไม่ได้ไม่มีสติเน้นเวลาที่เราจะฝึกตัวเอง น, นนะฝึกสติให้ดี การจะฝึกสติให้ดีนะต้องหัดรู้สภาวะเพระสติเนี่ยมีการที่จิตจาสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจิตจะจำสภาวะได้แม่นยำนะจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆนี่ที่หลวงพ่อบอกตะกีนะถ้าจะเป็นสัมมาสมาธิทั้งสมาธิที่เกื้อกูลกับบรร ล, ลุมรรคผลมีสติ แสติตัวนี้ต้องเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่เราเรีกรู้กายสติที่เราเรีกรู้ใจเพราะถ้าสติที่ไม่ได้เราเรีกรู้กายเราเรกรู้ใจท่านไม่เรียกสติปัฏฐานถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่สัมมาสติพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานดังนั้นสติปัฏฐานนี่เป็นสติ รู้กายรู้ใจตัวเองนั้นต้องฝึกนะยังจะมีสติรู้ลมพัดไปไม้ไหวคอยดูอย่างเงี้ยมีสติรู้นกบินมาก็รู้งูเลือ้อยมาก็รู้อะไรเงี้ยไอ้ได้มันของออกนอกมันยังไม่ใช่ตัวสัมมาสติสมาธิที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสมาธิออกนอกเพราะสติมันออกนอกสมาธิมันก็ออกนอก งั้นถ้าเรามีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้ใจแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ระลึกรู้กายรู้ใจตัวเองได้ถ้าระลึกรู้อยู่ในอารมณ์เดียวไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมไม่ได้เพ่งก็เป็นสมาธิชนิดอารามณูปนิชานถ้าจิตมันเคลื่อนไปแล้วเรารู้ สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะสมาธิชนิดลักคณูปนิชฌานก็มีขึ้นมาเรามันต้องอาศัยตัวสติรู้กายรู้ใจนะถ้าไม่มีสติรู้กายรู้ใจสมาธิที่เป็นสัมมาเนะี่ยจะไม่มีราสัมมาสมาธิที่บริบูรณนะ์มันมาจากสัมมาสติที่บริบูรณ์ มันเกื้อกูลกันงั้นเวลาเราลงมือฝึกนะมีสติให้มากๆเขาแล้วถ้าจะให้ครอบคลุมองมรคให้หมดเลยนะคอยรู้เท่าทันมีสติรู้เท่าทันจิตตนเองเวลามันจะคิดนะอะไรอยู่เบื้องหลังการคิดเวลามันจะพูดอะไรอยู่เบื้องหลังการพูด เวลามันจะทำสิ่งต่างๆทางร่างกายเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำเนี่ยคอยรู้ทันตัวนี้ให้ดีเลยถ้าเรารู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดความคิดของเราก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะเราจะคิดถูกเป็นความคิดที่ถูกต้องไม่ได้คิดด้วยอำนาจของราคาโาะโทสะโมหะงั้นอย่างเวลาเราคิด สังเกตให้เดียวคนทั้งหลายคิดเนี่ยนะคุณภาพการคิดต่ำเพราะมันคิดแล้วเจือด้วยราคาโทสะโมหะอย่างเวลาไปดูพวกเราลองไปดูไอเขาเรียกอะไรนะ Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะที่เขียนเขียนเงี้ยนะวิภาควิจารณอะไรไปดูเถอะวิภากวิจารณ์ด้วยอคติเกือบร้อยละร้อยเลยนะนี่เราไปนับปฏิบัติ ก่อนที่เราจะไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเราวัดใจตัวเองก่อนที่เราจะวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยพอราคาหรือเปล่าว่าเราชอบอย่างเชเราชอบนักการเมืองคนนี้คนนี้พูดอะไรโง่ๆทําทอะไรโง่ๆเราก็ว่าดีเนี่ยเรามียขติคนเนี้ยเราเกลียดนะเป็นนักการเมืองที่เราเกลียดทดยําดียังไงเราพูดว่ามันไม่ดีนี่อํานาจของโทสะ เมันบงการให้เราคิดไปอย่างนั้นหรือว่าคิดโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนี่เป็นอำนาจของโมหะเนะร้ายแรงที่สุดคิดด้วยอำนาจของโมหะเนี่ร้ายกว่าคิดด้วยอำนาจของราคะและโทสายถ้าคิดด้วยราคะโทสาแนละ้วพอมีสติรู้ทันราคะโทสามันหายง่ายๆแต่ถ้าคิดโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเนะช่นคิดว่า เป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการโกงก็ได้ขอให้มีผลงานเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ผิดชอบชัวรดีไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดทำบาปเนี่ยเล็กน้อยก็ไม่ควรทำเพราะเราเป็นชาวพุทธงั้นถ้าเราได้ยินวาทะขอรับชั้นก็ได้ให้ผลงานดีก็ร้วกันอันนี้ไม่ใช่ถะคนที่คิดอย่างนั้นจริงๆ น, ะนั่นคิดด้วยโมหะ คิดโดยไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีแต่ถ้าเขารู้ว่าคอร์รัปชันมันก็ไม่ถูกหรอกแต่มันมีผลประโยชน์เป็นการหาเหตุผลสนับสนุนให้ตัวเองคอร์รัปชันอันนี้คิดด้วยโลภะคิดด้วยราคะนี่เราวัดใจตัวเองให้ดีนะก่อนจะไปวิจารณ์คนอื่นตัวนี้สำคัญนะวัดใจตัวเองให้ดีก่อนนี่ถ้าเรียนกับหลวงพ่อเนะี่ยการจะวัดใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะ เราคอยรู้เท่าทันใจของเราตอนนี้มันถูกราคาครอบงำหรือมันถูกโทษะครอบงำหรือมันมีโมหามันกำลังหลงอยู่อ่างเงี้ยฝึกให้มากๆฝึกให้มากๆรู้เท่าทันไปบ่อยๆนี่เสียงนกเงือกนะเสียงนกแลหลงไหมเออหลงก็รู้นะไม่งั้นหลงไว้หันไปพอดีเกิดกระดูกคอหักตายนะ ไปเกิดเป็นลูกนกเงือบนะไม่ดีฉนั้นอะไรอยู่เบื้องหลังการคิดของเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันเบื้องหลังของความคิดแล้วความคิดของเราจะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะความคิดของเราจะประกอบด้วยเมตตานะประกอบด้วยความไม่พยาบามนะประกอบด้วยความไม่หลงนะนะสัมมาสังกัปปะก็เกิด พรความคิดถูกคําพูดก็ถูกคําพูดผิดเพราะว่าคิดผิดคิดผิดเพราะว่าราคาโทสามโมหังเข้าไปแทรกแซงแล้วเราไม่รู้ทันเพราะงั้นความคิดถูกก็เป็นจุดตั้งต้นทําให้คําพูดถูกเมื่อความคิดก็ถูกคําพูดก็ถูกสัมมากัมมันตาให้การกระทําของเราก็ถูก ว่าความคิดของเราถูกคําพูดของเราถูกการกระทาของเราถูกการเลี้ยงชีวิตของเราก็ถูกเนื่องเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกนะสัมมาวายามะก็ถูกก็เกิดขึ้นก็คือเราจะเกิดความเพียรที่จะลดละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นนี่คือตัวสัมมาวายามะ มันก็เชื่อมโยงมาจากการที่เรารู้เบื้องหลังความคิดของเรานั่นแหละนะส่งทอดกันขึ้นมานะในที่สุดกุศลัองเราก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไปลำดับนะเวลาเรามีกุศลตัวนี้ยสติมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปร่างกายขยับเเยืย้อนเคลื่อนไหวอะไรเนะี้ยสติจะรู้เองจิตใจขยับเ ข, ขยืนเคลื่อ น, นไหวสติจะรู้เอง มีความเพี่ยนถูกต้องคือมีความเพียนรู้กายมีความเพียนรู้ใจตัวเองเรื่อยๆในที่สุดสติที่ระลึกรู้กายรู้ใจก็จะบริบูรณ์ขึ้นงั้นสัมมาวายามะความเพียนชอบนี่คือเพียนระลึกรู้กายเพียนระลึกรู้ใจมันจะทําให้สัมมาสติเกิดตรงที่สัมมาสติเกิดเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายสติระลึกได้เอง ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติระลึรู้ได้เอง น, นะจาอัตโนมัตินะเมื่อเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าสติไม่อัตโนมัติเนะี่ยหลวงพ่ อ, อยังถือว่าฝีมื อ, อยังไม่ดีพอแต่ถ้ามีกุศลเลือกกุศลสุขหรือทุกเกิดขึ้นในกายในใจอะไรเนี่ยเรารู้ทันนะโดยที่ไม่เจตนาจะรู้ว่า น, นี่เรียกสติเราใช้ได้ลล้วนี่ทันทีที่เรารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะ สมาธิชนิที่จิตตั้งมันเนี่ยจะเกิดขึ้นเองจะเกิดขึ้นเองไม่ใช่แค่ว่าจิตหลงแล้วรู้นะถึงจะเกิดราคาเกิดรู้ว่ามีราคาราคาดับจิตตั้งมันเองเป็นเองสภาวะทั้งหลายเพราะั้นการที่เรามีสมาสติคือเรามีสติเราลึกรู้สภาวะทั้งหลายนะทำให้เกิดสมาสมาธิขึ้น แล้วมันไม่ได้เกิดสมาธิชนิดที่จะเดินปัญญาตลอดนะบางครั้งจิตไม่มีกําลังพอจิตเห น, น, นื่อยๆนะพอมันเห็นจิตเคลื่อนไปรู้ตัวปั๊บนะจิตมันรวมเข้ามาสงบเลยจิตเข้าฌานเลยก็มีนะจิตรวมเข้าสมาธิเลยก็มีคือมันเข้าอารมณูปนิชานไปเลยหรือบางทีมนก็พลิกมีกําลังพอแล้วมัพลิกไปเดินละขณูปนิชาน เอาไว้เดินปัญญาแน่จิตจะพลิกไปพลิกมาบางทีก็เป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นเดินปัญญาได้บางทีก็สงบอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญายังไม่เช้าก่อนที่พวกเราจะเข้ามาในห้องพระกําลังนั่งตักข้าวหลวงพ่อเดินดูพระหลวงพ่อเนี่ยก็หลายองค์บอกว่ามีอาการแปลกๆหลวงพ่อบอกวันเนี้ยดีจิตมันมีสมาธิ มีพลังขึ้นมาแล้วเป็นสมาธิที่จิตไม่หยุดนิง่งนะถ้ามีสมาธิเราก็นิ่งเฉยนะราะนั้นเป็นสมาี่ไว้พักผ่อนะจเจริญสติเรื่อยๆแนละ้วเกิดสมาธิชนิดพักผ่อนแต่พอกําลังมันพอนะมันพลิกเป็นสมาธิชนิดเดินตัญญาจิตที่มีสมาธิชนิดเดินตัญญาเนี้มันจะไม่บังคับตัวเองให้นิง่งไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่ง จิตมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันงั้นภาวนามาถึงตรงนี้บางทีงงวันนี้จิตฟุ้งซ่านแะล้วหลวงพ่อชงว่าดีเ น, นี้ยเมื่อก่อนหลวงพ่อพุทธท่านก็สอนหลวงพ่อมาว่าจิตที่มีสมาธินะแต่จิตที่ฟุ้งซ่านะคล้ายกันคือมันทํางานมันคิดนึกปรุงแต่งมันทํางาน แต่จิตฟุ้งซ่านนะจิตมันคิดนึกปรุงแต่งแล้วไม่รู้ทันไม่ได้ว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าจิตคิดนึกปรุงแต่งแล้วเรารู้ทันนั่นเรียกว่าจิตเจริญปัญญาะไม่เหมือนกันนั่นอย่างวันเนี้หลวงพ่อชมพระของหลวงพ่อหลายองค์เออวันนี้ดีะว่าจิตเนี่ยมีพลังตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาได้พระก็บอกว่าผมบ้านมันไม่นึกว่ามันไม่ดีมันสงบแปลก เพราะมันฟุ้งซ่านเออมันสงบแปลกๆนะมันดูฟุ้งซ่านบอกนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ที่หลวงพ่อพุทธท่านสอนนะจิต ท, ที่เดินปัญญานะมันไม่สงบอยู่เฉยหรอกถ้าจิตติดสมาธิสงบอยู่เฉยนะ่ะเจอครูบาอาจารย์โดนเฉ่งนะโดนเคกะบานออกถ้าไม่มีสมาธิเลยเจอครูบาอาจารย์ท่านเฉยๆท่านสอนไม่ไหวแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไป คนในสอนได้พระสอนสอนว่าฝึกฝึกไปแล้วจิตมันนิ่งว่างอยู่ะท่านบอกอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องให้จิตเดินปัญญาให้ได้ถ้าเป็นใสายครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่ท่านอย่าพูดโทย่างจิตมันนิ่งจิตมันนิ่ ง, นนงแล้วว่างว่างว่างนิ่งนิ่งอยู่ะท่านจะให้พิจารณาร่างกายให้คิดพิจารณาร่างกายกระตุ้นให้จิตทํางาน น, นั้นเป็นอุบายของการปฏิบัติเพื่อให้จิตเดินปัญญา แต่อย่างเราดูจิตมันเนี่ยจิตมันขยันวุ่นวายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะแต่พอเรามีกำลังขึ้นมาเราเห็นจิตบางทีก็นิ่งว่างๆจิตบางทีก็ทำงานแต่จิตนี่เป็นคนดูเนี่ยค่อยๆฝึกนะแล้วเยนจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาถึงวันหนึ่งสติก็จะอัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติการเจริญปัญญาก็อัตโนมัติ ต้องฝึกจนอัตโนมัติเธอใช้ได้ถ้าไม่อัตโนมัติยังจงใจทำอยู่เรียกว่าเจือด้วยโลภะเจตนากนารภาวนายังไม่สะอาดจริงมีกิเลสแทรกงั้นจุดตั้งต้นก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้นคะ่คอยรู้ทันอะไรที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราแล้วเราจะเป็นคนที่ไม่มีอคตนะิไม่อคติต่อคนอื่นด้วยไม่อคติต่อตัวเองด้วย บางคนภาวนาแล้วก็นั่งด่าตัวเองแล้วม่กิเลสมันเยอะนักอะไรเงี้ยทำไมคนอื่นเขาสบายเราไม่สบายอย่างเขาอะไรเงี้ยคนมันไม่เหมือนกันนะอย่างทฤษฎีเขาบอกมนุษย์นี่เท่าเทียมกันไม่จริงมนุษย์ไม่มีเคยมีความเท่าเทียมกันมาแต่ไหนแต่ไรละบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาพ่อแม่จนอะไรเงี้ยบางคนเกิดมาหน้าตาดีบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดี บางคนหน้าตาดีแต่โง่บางคนหน้าตาดีแล้วฉลาดด้วยบางคนหน้าตาไม่ดีแต่ฉลาดอะไรเงี้ยต้นทุนของเราแต่ละคนไม่ได้เท่ากันหรอกที่สติว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันมันไม่มีจริงไม่มีจริงในโลงเป็นอุดมการเป็นอุดมคติไม่มีจริง มันไม่ต้องคลั่งประชาธิปไตยนักนะอเป็นหลงมันไม่มีจริงอ่านใจตัวเองให้ออกอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำอ่านใจตัวเองได้ชานิชำนาลแล้วคำพูดของเราก็จะถูกต้องการกระทาของเราก็จะถูกต้องการเลี้ยงชีวิตของเราจะถูกต้องการปฏิบัติธรรมคือตามความเพียรมีวิริยะก็จะถูกต้อง หลวงปู่มั่นท่านสอนดีนะท่านบอกมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรสตินี่จำเป็นมาตลอดสายของการปฏิบัติเลยมีสติรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วก็อกุศลที่มีจะดับอกุศลใหม่จะไม่เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดกุศลที่เกิดแล้วจะพัฒนาขึ้นมีสติ จากที่เคยต้องเขี่ยวเข็นให้เกิดให้กลายเป็นสติอัตโนมัติสมาธิที่เคยโง่ซื่อบือนะ้อไม่เป็นสมาธิที่เดินปัญญาเป็นอย่างเงี้ยมันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นปัญญาไม่รู้จะทํำยัำยงไงคิดเอาคิดเอามันกลายเป็นเห็นเอาไม่ใช่คิดเอานะอัตโนมัติขึ้นมาเานั้นพวกเรานะให้กันบ้านพวกเราคอยรู้เท่าทัน สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคําพูดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเรานี่ยแหละการปฏิบัติละเราจะเกิดความเพียรชอบขึ้นมาเพียรลดละ้ะอักุศลเพียรเจริญกุศลขึ้นมาพอเรามีตั้งเป้าถูกต้องแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรนะแต่เราปฏิบัติเพื่อลดล้ะกิเลสเพื่อเจริญกุศลไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งอื่น นี่จะทำได้มีสติรู้กายมีสติรู้ใจสติปัฏฐานนี่ก็เกิดสติตัวนี้จะเป็นสติที่เข้าขั้นเป็นสติระดับสูงที่ครูบาอาจารย์ทะเนเรียกมหาสติท่านเรียกมหาสติความจริงคําว่ามหาสติมันไม่มีในตำราหรอกมัชื่อพระสูตรพระสูตรเรื่องสติปัฏฐานนี่มีหลายสูตร นะเนื้อหาคล้ายๆกันนะบางงานย่อๆบางงานยาวๆสูตรหลักสูตรเต็มนะ่ยเรียกว่ามหาสติปฐานสูตรนี่พอสติดีมากๆครูบาอาจารย์ท้าอะไ้ ย, ยืมศักดิ์คำว่ามหาสติมาใช้หมมหาสติมหาปัญญาอะไรนะี้คือสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละมันเป็นมหาลนะ ถ้ายังไม่อัตโนมัติยังไม่ได้มหานะได้แค่นักธรรมนะอย่างไง้นักธรรมตรีนักธรรมอะไรกันอยู่จะเป็นมหาต้องอัตโนมัติต้องฝึกนะจุดตั้งต้นก็อยู่ที่รู้ทันความคิดของเรานั่นแหละฝึกมากๆต่อไปสติก็อัตโนมัติความเพียรก็อัตโนมัติ ภาวนาเนี้ยไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยไม่ได้มุ่งมีหูทิพตาทิพรู้วาระจิตคนอื่นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ชาติหน้ารู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยรู้ว่าสวรรค์มีกี่ชั้นนรกมีกี่ชั้นอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจที่จะรู้ไม่รู้จะรู้ไปทำอะไรมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความพนทุกข์เนี่ยไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นหรอกถ้ารู้ก็รู้เองเป็นของเล่นของแถมไม่ได้จงใจไปฝึก แต่ฝึกอะไรฝึกที่จะลดละกิเลสจเจริญกุศลนี่แหละเรียกว่าสัมมาวายามะฝึกมากเข้ามากเข้าต่อไปสติมัเชี่ยวชาญขึ้นนะั้นร่างกายขยับปั๊บรู้ปั๊บจิตใจเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บเลยรู้อัตโนมัติขึ้นมาสติมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาสติที่สมบูรณ์เนี่ยจะทําให้สัมมาสมาธิสมบูรณ์ สมมาสติที่สมบูรณ์จะทำให้สมมาสมาธิสมบูรณ์ไม่ใช่สติสมบูรณ์แล้วสัมมาสมาธิจะเกิดนะสติต้องเป็นสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจเงินตัวสัมมาสมมาเนี้ยนะประกอบ ด, ด้วยสติแล้วก็เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นไปเพื่อสิ่งอื่นเป็นสติที่เราลึกรู้รูปธรรมนามธรรมาขอตัวเอง ล, ลาทิ้งตรงนี้ซะ ไม่เห็นโอกาสที่ บ, บรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยอย่างหลวงปู่เย็นนะหลวงพ่อที่เจอท่านไ่คุยธรรมกะกับท่านนะหลวงพ่อก็เล่าถวายท่านหลวงปู่ ด, ดูลยเคยสอนหลวงพ่อนะว่าพบผู้รู้ให้ทำล า, า, า, า, า, า, า, ายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่การทำลายจิตทำลายผู้รู้ไม่ใช่ไปทำลายมันโดยตรงเราต้องเห็น ความจริงของจิตว่ามันตกอยู่ใต้ใตรักษณ์นะจิตจะปล่อยวางจิตหลวงปู่ท่านเรียกว่าทํำลายจิตที่จริงก็คือจิตปล่อยวางจิตนั่นแหละที่สุดของทุกข์มันก็อยู่ตรงที่จิตปล่อยวางจิตได้นเนี่พระสนทนาธรรมกันนะสนทนาธรรมกันเรื่องจิตเรื่องใจไปหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปไม่ต้องคุยเรื่องอื่นหรอกท่านสบายดีไม่คาอะไรเงี้ยไม่เสียเวลา อย่างไปกราบหลวงปู่เย็นเนียนยนะพอกราบท่านท่านรับรู้แล้วหลวงพ่อมาเยี่ยมแล้วจิต ท, ท่านก็รวมของท่านไปท่านต้องพักผ่อนของท่านหลวงพ่อก็นั่งสมาธิหลวงพ่อไปเป็นการไปเยี่ยมกันไม่พูดกันสักคําลูกสิษย์ก็บอกหลวงพ่อว่าจะคุยอะไรกับท่านเปล่าบอกไม่ไม่ไมีธุระต้องคุยให้ท่านพัก กวนท่านโดยใช่เหตุอย่างเงี้ยนั่อ น, นักปฏิบัติจริงๆไม่พูดมากนะนักปฏิบัติจริงๆนียจเจริญสติมากหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับท่านหลวงพ่อก็ดูของหลวงพ่อไปดูจิตใจของเราไปดูกายของเราไปสมควรแก่เวลาแนละ้วเราก็กราบลาลูกศิษย์ก็กระซิบบอกอาจารย์พระโมฒจะกราบแนละ้วลงกราบอยู่ท่านก็รับไหว้เวสติท่านสมบูรณ์นะ เพราะพกเราฝึกไปเชินสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันเกิดค่อยๆฝึกไปวันนี้ก็พอสมควรเกี่ยวเวลานะเชิญใครจะถามหมายเลขก้าค่ะที่ผ่านมาพยายามทำรูปแบบแต่ยังทำไม่ได้ทุกวันเนื่องจากกลับจากทำงานแล้วเหนื่อย เวลาปฏิบัติส่วนมากจะฟุ้งซ่านแต่พยายามรู้และกลับมาที่ฐานอยากทราบว่าเป็นการดึงหรือไม่พอเห็นขันแยกบ้างแต่ไม่บ่อยค่ะกราบขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะทำถูกแล้วละ แ, แต่เวลาเราทำงานเราเหนื่อยเราใช้ความคิดเยอะในแต่ละวันเนจะไปนั่งสมาธิให้จิตสงบไม่สงบหรอกเราพยายามนะถ้ามีเวลา เล็กๆน้อยๆในระหว่างวันนะช่วงนี้เป็นเวลาเราจะเดินไปห้องน้ําอะไรเงี้ยเราเจริญสติไปเลยนะเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆจิตมันจะมีพลังขึ้นมาตอนเป็นนั่งตอนกลางคืนมันจะไม่นั่งหลับหัวสู้หัวซุนหลอกเพราจิตมันได้ได้พักเป็นระยะระย ะ, ร ะ, ยะหรือเจริญปัญญาเป็นระยะระยะมาแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่มเรื่องการอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละ เก็บเล็กเก็บน้อยไปมีห้านาทีก็เอาห้านาทีนะ ม, ททมีสิบนาทีก็เอาสิบนาทีมีสติอ่านจิตอานใจของตัวเองไปอ่านใจไม่ออกก็อ่านกายไปบางทีทํางานมากๆหัวหมุนติ้วๆนะดูจิตไม่ได้นะก็ดู ก, กายหลวงพ่อเมาก่อนนะไปห้องน้ําเนี่ยเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ําะไปฉี่ไปอะไรเดินกลับมาเนี่ยดูจิตได้ละเนี่ยเก็บอย่างนี้เรื่อยๆล้าตอนกลางคืน ไปภาวนาเนี่ยมันจะไม่หลับหัวสุ้หัวซุวนหรอกถ้าจิตมันต้องการพักมันก็พักอย่างมีสติถ้าจิตมีกําลังพอมันก็เจริญปัญญาแบบมีสติอีที่ฝึกอยู่ถูกแล้วนะใช้ได้ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วใจมีสมาธิที่ดีขึ้นแล้วละตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนีตั้งมั่นแล้วบางที่ขันแยกเพราะนัม่จะเดินปัญญา ติตั้งแล้วก็รู้อยู่เฉยๆมันเหนื่อยมากๆมัน่ะตั้งแล้วรู้เฉยๆมัจะพักผ่อนก็ไม่ว่ามันนะอยไปฝืนมันนะฝืนมันปวดหัวเลยหมายเลขสิบค่ะขณะที่นั่งภาวนามีความรู้สึกว่ามีการติดขัดของลมหายใจเข้าออกอหายใจไม่สะดวกเป็นบางวันและบางวันก็หายใจดีจิตสงบดีแบบนี้ และบางวันจิตที่ไปยึดพุทโธก็จะสงบดีแต่รู้สึกเหมือนจดจ่อและเพ่งเกินไปควรทําอย่างไรดีคะถึงจะเดินถูกทางค่ะรู้ทันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละถูกไปพุทโธแล้วไปเพ่งเอาพุทโธเข้าก็รู้ว่าเพ่งอยู่ใจฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าฟุ้งซ่านก็ใช้ได้ควารู้สึกได้เรื่อย อย่าตอนนี้ยตื่นเต้นแล้วก็เพ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าตื่นเต้นแล้วเราก็เพ่งรู้อย่างที่มันเป็นไปใจยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะใจยังฟุ้งซ่านเก่งต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุโทโธอยู่ลมหายใจอะไรก็ได้แล้วพุโทโธลมหายใจไม่ใช่ว่าทุกวันทำแล้วจะได้ผลเหมือนกันบางวันทําแล้วก็สงบบางวันทําแล้วก็ไม่สงบก็ไม่เป็นไรมีหน้าที่ปฏิบตัติเป็นพุทธบูชาก็ปฏิบัติไป สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ได้ปฏิบัติเท่านั้นแหละพอละถ้าหวังว่าจะต้องสงบทุกวันใจเยอะโลภะเกิดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทํากรรมฐานของเราคือโลภะเนี่ยรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเนีแล้วลมันเจริญได้เองะที่ฝึกอยู่ก็ดีอยู่ล้วใช้ได้มันก็พัฒนาแล้วละฝึกต่อไปหมายเลขยี่สิบค่ะ ภาวนาใช้คำบริกรรมพุทโธค่ะรู้สึกว่าจิตยังไม่ค่อยเดินปัญญาขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพื่อแก้ไขปรับปรุงค่ะพุทโธต่อไปสมาธิยังไม่พอที่จะเจริญปัญญานะยังฟุ้งเกี่ยอยู่พุทโธเนี่ยบางทีท่านทำกันเป็นปีๆนะมีพระรู้ศิษย์หลวงพ่อทุยหลวงปู่ทุยนะมาเล่าให้ฟังไปบวชอยู่กับหลวงปู่ทุย ที่แรกท่านะบอกพุทธโธพุทธโธอยู่ปีหนึ่งนะแล้วเดินบิณฑบาตสวนทางกับหลวงปู่หลวงปู่กตโกนบอกว่ารู้สึกตัวไวนะ้อีกปีหนึ่งนะจากพุทธโธเนะี่ยมาสู่ความรู้สึกตัวของหนูนะใจมัยังฟุ้งเก่งอยู่สมาธิยังไม่พอพุทธโธบ่อยๆพุทธโธไปเรื่อยๆ พุโทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุโทโธแล้วจิตสงบก็รู้พุโทโธแล้วจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วอะไรก็รู้ไปเรืยนะพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเดี๋ยวมันเดินปัญญาเองแหละหมายเลข21ค่ะกรรมฐานที่หลวงพ่อเคยให้คือการสวดมนต์หนูทําตามมาสองปีกว่าครั้งหนึ่งขณะสวดมนต์ในรูปแบบ เห็นกายที่สวดมนต์การบีบคั้นกลางอกความคิดที่ลอยไปมาและรู้แยกจากกันไม่เห็นตัวเราตรงไหนเลยแต่พอนึกสงสัยว่าแล้วเราไปไหนก็เห็นอาการคว้าไปจับตัวรู้แล้วเกิดเป็นตัวเราขึ้นมา ตอนนั้นรู้ทันทีว่าการคว้านี้คือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดมจากนั้นก็ฟุ้งซ่านอยากจะกำจัดการคว้านี้คำถามคือขอคำแนะนำให้ไปปฏิบัติต่อค่ะทําถูกแล้วนะตรงที่จิตตะครุบมันไล่ตะครุบเนี่ยเหมือนเป็นตัวอุปท า, านปตะครุบมาเมื่อก็ใจมันก็ดิ้นเป็นการสร้างภพ แล้วก็เกิดตัวเราขึ้นมาเป็นตัวชาติแล้วก็เกิดตัวทุกข์ขึ้นมานยมันเป็นกระบวนการที่เห็นนั่ น, น, นเห็นถูกแล้วล่ะแต่อย่าอยากเห็นอีกนะเห็นกใ็ให้เห็นเองหน้าที่เราทำเหตุไปเรื่อยๆสวดมนต์ก็สวดไปเรื่อยๆแต่ถ้าสวดแล้วก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเกิดอีกเมื่อไหร่จะเกิดอีกไม่เกิดแล้วเพราะโลภะมันเกิดแล้วสติสมาธิปัญญาอะไรมันไม่เกิดหรอก รู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการสวดมนต์ด้วยมันก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเรานั่นแหละพอรู้ถันนะใจมันก็สะอาดขึ้นมานะเดี๋ยวสมาธิมันก็เกิดเองแหละเดี๋ยวการเจริญปัญญามันก็เจริญได้เองแหละไปฝึกไปอย่าสวดแล้วก็หวังว่ามันจะดีอย่างนั้นทุกครั้งนะมันจะไม่ได้เลยไดเ้เห็นัวเห็นไม่เห็นก็ช่างมีก็มีไม่มีก็ช่าง มีหน้าที่ทำเหตุไปเรื่อยๆจะยังฟรรุ้งซ่านอยู่รู้สึกไหมไปรู้ทันอนะไรเนั้นเอลเอกสามสิบค่ะกระผมทำรูปแบบโดยขยับจังหวะมือแบบหลวงพ่อเทียนสิบสี่จังหวะหอตอนนี้เพิ่มโดยการท่องคาถาในใจไม่ออกเสียงประมาณหนึ่งนาทีทำมาประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนแล้ว คาถาจะดังในใจตลอดอ ม, มีหลงคิดเองตลอดอรบกวนหลวงพ่อแนะนำครับถูกแล้วนะใช้ได้แล้วนี่เราบริกรรมไปอยู่ภายในใจเราพนะี่ว่าท่องคาถานะแล้วจิตใจเราไหลไปคิดเรารู้อะไร่เงี้ยนั้นแะานาถูกแล้วไปทำต่อไปอย่าอยากได้ผล น, นะที่คุณภาว น, า, นาดีมากๆเลยจิตมันมีสมาธิมันทรงตัวขึ้นมารู้สึกไหม ดูออกใช่ไหมสมาธิมันดีกว่าแต่ ก, ก่อนเยอะเลยมันไม่ใช่สมาธิสงบซื่อบื้อแล้วมันมีพลังทรงตัวขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนาะแล้วมันก็เห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันเป็นของมันเองอย่างตอนเนี้ยจิตมันหนีไปคิดหรือเปล่าดูออกใช่ไหมนี่แหละแล้วไปทําต่อไปที่ทําอยู่ใช้ได้ดีนะ หมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะตอนนี้พยายามรักษาศีลและกายวาจาใจให้อยู่ในสุดจริตและพยายามภาวนาในชีวิตประจำวัน <c oughs> แต่ทำรูปแบบไม่ค่อยได้นานค่ะอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อทําไม่ได้นานก็ทำไปพอชำนาญขึ้นมันก็ทำได้นานมากขึ้น ไม่ใช่ว่าเจริญสติในชีวิตประจําวันได้แล้วก็ไม่ต้องทําในรูปแบบมันจะไปไม่รอดจริงหรอกอย่าว่าแต่พวกเราเลยนะหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่จเจ็ดขวบนะนั่งสมาธิอยู่ยี่สิบสองปีพอมาเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตประจําวันเนะี้ยดูถูกสมาธิไม่ยอมทําในรูปแบบเลยดูดูดูลูปเดียวนะกําลังสมาธิยี่สิบสองปีอะ ใช้เจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตธรรมดาเนี่ยได้สองปีเองงั้นะกำลังสมาธิของเรายังไม่พอหรอกแล้วนะก็ฝึกของเราไปในรูปแบบสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ได้ฝึกก็แล้วกันนะแล้วถ้าเราฝึกโดยไม่ลังไม่ไม่โลภไม่จะต้องดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวใจมันจะค่อยๆสงบไปเองแหลนะจะมีพลังขึ้นมาเอง ถ้าทําด้วยความโลภม่นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมามนได้แต่ฟุ้งไปพอฟุ้งนานๆเข้าเรารู้สึกไม่มีประโยชน์เราไม่ทําเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันหลวงพ่อเคยพลาดมาแล้วนะดูไปเรื่อยๆพอเห็นจิตมันเราดูวันมันเคลื่อนเราไปเราไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนออกไปนอกฐานแล้ว แล้ตัวกิเลสมันดับจิตน้อว่างอยู่ข้างนอกนะแล้วว่างอยู่อย่างนั้นนะเป็นปีเลยใจสบายใจโปร่งใจโล่งแรกๆก็นั้ว่าดีนะนานๆไปรู้สึกว่าไม่ใช่น่ะพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่เที่ยงทําไมมันดูเที่ยงพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นทุกข์ทำไมมันดูว่าสุขพระพุทเจ้าบอกว่าบังคับไม่ได้ทําไมเราบังคับได้เนี่ยมันเริ่มเฉลียวใจ เพราะมีโยนิโสมนาสิกานสิ่งที่ทำอยู่นี่มันขัดแย้งกับที่พระพุทธเจ้าสอนเลยมันต้องผิดนะแต่มันผิดตรงไหนไม่รู้ดีขึ้นไปกราบหลวงตามหาบัวตอนนั้นยังเข้าถึงตัวท่านง่ายไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่หรอกก็เข้าไปถามท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ว่ามันไม่พัฒนาเลยงี้เป็นปีแล้วไม่พัฒนา ท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตรงนี้สําคัญมากนะอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็กราบท่านนะถอยห่างออกมาท่านนั่งฉันข้าวเราก็ห่างออกมาสักสองสามเมตรนั่งพุโทโธพุโทโธไปใจนี้อึดอัดใจหลวงพ่อเนี่ยไม่ชอบบริกรรมอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธแล้วอึดอัด เราดูไม่ใช่นะครูบาอาจารย์ให้เราบริกรรมเนี่ยมันต้องมีเหตุผลการบริกรรมส่วนใหญ่ก็คือเพิ่มพลังของสมาธินั่นเองแสดงว่าสมาธิเราไม่พอหลวงพ่อก็ใช้สมาธิที่หลวงพ่อถนัดอย่างท่านบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านไปด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้อันนี้สำหรับท่านไงหลวงพ่อบริกรรมอย่างเดียวนี่อึดนัดไม่เหมาะกับเรา หลวงพ่อเคยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทท่านพอลีท่านสอนตั้งแต่ดเด็กพ่อกลับไปทนะํานำหายใจไม่กิ่ทีนะจิตก้สงบจิตเข้าฐานรู้เลยว่าตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจิตอยู่ข้างนอกนะเพราะฉะในการเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวเนี่ยนะถึงจุดหนึ่งไปไม่รอดหรอกต้องทําในรูปแบบด้วยเวลาทําในรูปแบบนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ได้ปฏิบัติ ถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทำใจไว้อย่างนี้นะเป็นเวลาที่จะบูชาพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ดอกไม้ที่มาบูชาไม่ค่อยสวยหรือวันนี้ดอกไม้สวยอย่างเงี้ยวันนี้จิตสงบวันนี้จิตไม่สงบก็ไม่เป็นไรขอบูชาท่านด้วยสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละแล้วสมาธิมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นต่อไปนะี่ยนั่งไปเรื่อยๆภาวนาได้ไปเรื่อยๆ ไม่ใช่สิบห้านาทียี่สิบนาทีแต่ก่อนแล้วอย่างหลวงพ่อกังคืนนะบางทีเผลอไปหน่อยไปหายใจเข้าหายใจออกนหายใจเข้าพูดออกโทรอะไรนะเผลอเอไปมัลืมนอนอ่ะมันลืมนอนนะนนนนะภาวนามันมีความสุขลองลืมนอนวันหนึ่งสองวันไม่เป็นไรหลายๆวันก็ร่างกายก็อ่อนแอลงเหมือนกัน ต้องตงนอนเหมือนกันแต่บางองค์ท่านไม่นอนเลยนะเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงปู่เพื่องอยู่พัทลุงตอนที่เจอท่านท่านเล่าว่าท่านไม่นอนมาสิบสามปีแล้วไม่เคยหลับเลยสิบสามปีแล้วท่านเนรชิกตลอดถามท่านว่าท่านเนรชิกเนี่ยเพื่อว่าจะเร่งภาวนาเหรือท่านบอกไม่ใช่ท่านอดนอนแล้วท่านสบาย ถ้าท่านนอนหลับนะตื่นมาไม่ค่อยสบายนี่เป็นแบบนี้ก็มีนะประหลาดนะอย่างพวกเราลงอดนอนดิไม่ไม่สบายรู้สึกไหมอย่างน้อยก็ไม่สบายใจวันนี้ไม่นอนอไม่สบายใจกายยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่ท่านไม่นอนอนะ่ะสิบสามปีหลวงพ่อถามท่านว่าหลวงปู่ไม่ไม่มีหลับบ้างเลยเหรออะไรเงี้ยท่านบอกถ้าเป็นฤ ด, ดูหนาวอากาศหนาวจั ด, จดๆอนะไรเนี้ย มีจิตรวมรูปลงไปนะรูปเดียวนะแล้วขึ้นมาอยู่ได้ทั้งคืนอีกละหลับเหมือนกันแต่หลับชั่วขณะดเดียวนะอย่างนี้ก็มีนะแต่ละคนไม่เหมือนกันคืนเราไปเรียนแบบท่านเลยพักเดียวก็ตายแล้วอดทนอยู่ไม่ไหวของท่านเนะี่ยถ้า น, นอนเยอะอยู่ไม่ไหวเพรนั้นหนูไปพอนานนะทําในรูปแบบอดทนไปอย่าหวังว่าจะดีทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ถ้าทำโดยไม่โลภแล้วมันจะดีเร็วถ้าทำด้วยความโลภแล้วมันจะไม่ดีหรอกอ่ะต่อไปหมายเลขสามสิบแปดค่ะตอนนี้ดิ้นรนในการภาวนาน้อยลงทำในรูปแบบสวดมนต์ทวัดเช้าดูจิตที่หลงดูกายสลับดูจิตเวลากิเลสเกิดขึ้นรู้สภาวะที่เกิดขึ้นช่วงหลังนี้เวลาตื่นนอน จะเห็นกายกับจิตแยกกันจะเห็นว่ามีความบีบคั้นของกาย ม, มีความบีบคั้นของใจ ม, มันต่างบีบคั้นของมันเองอปัจจุบันเลิกนั่งในรูปแบบเพราะพอเริ่มก็บีบจิตตามด้วยฟุง้งซ่านแล้วกายก็หลับสนิทอขอหลวงพ่อชี้แนะในการภาวนาควรภาวนาอย่างไรต่อคะในรูปแบบต้องทำนะเพราะสมาธิเราไม่พอจริงหอก ตอ น, นี้สมาธิยังไม่เต็มรู้สึกไหมสมาธิมันอ่อนไปนิดหนึ mm ่ง hmm. ทําในรูปแบบนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเหมือนที่หลวงพ่อบอกคนนะแต่เกี้ยงของคุณต้นทุนเยอะแล้วละ่ะสะสมมาใช้ได้แล้วนะถ้าแต่สมาธิถ้าไม่พอเนี่ยมรรคผลจะไม่เกิดนะเพราะตัวสัมมาสมาธิเนี่ยนะจะเป็นที่รวมของสัมมาอีกเจ็ดตัวถ้าขาดสัมมาสมาธิสักตัวเดียวเนะี่ยอริยมรรคยังไม่เกิด เพ้นเราต้องทํานะในรูปแบบอย่าละทิ้งฝึกไปแต่ไม่ได้ทำได้โลภนะทําบูชาพระพุทธเจ้าไปใจเราจะมีกําลังขึ้นตัวเนี้ยจิตมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วจิตมันตั้งมัน่นมีกําลังขึ้นมาแต่มันไม่พอมันยังว่างๆออกข้างนอกไปนิดหน่อยดูออกไหมตรงเนี้ยเออนั่นแหละที่ผิดอยู่สมาธิมันยัไม่พอแต่อย่าไปเค้นมันนะให้เค้นมันจะให้สงบมันจะยิ่งเกิดนนะัก การที่เราเห็นกายเป็นภาระเห็นจิตเป็นภาระนั่นแหละคือการเห็นทุกข์ขันทั้งห้าเป็นภาระบุคคลแบบภาระไว้ก็ไม่พ้นจากทุกข์พระอริยเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่ก็พ้นจากทุกข์รังปวงงั้นเราเห็นถูกแล้วเราไดเห็นตามพระอรหันต์แล้วเห็นก็อะไรเห็นว่ากายนี้เป็นภาระจิตนี้เป็นภาระ หมัด ไ, ไ, ดไเลขห้าสิบเก้าค่ะคนสุดท้ายส่งการบ้านสองปีค่ะใจมันไม่เข้มแข็งมันหนีทุกยังแพ้กิเลสอยู่มากช่วงนี้พอรู้ตัวแล้วเหมือนจะไปติดเรื่องความว่างความไม่มีอะไรหรือเปล่าคะอขอคำแนะนำเพื่อภาวนาต่อค่ะ เราทุกข์เราเป็นของวิเศษนะพุทธเจ้าถึงบอกให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้หนีทุกข์การที่เราจะเจริญปัญญาคือเห็นกายเห็นใจมันก็เห็นตัวทุกข์นั่นเองนี่ในชีวิตจริงๆเราเนี่ยความทุกข์มันก็เยอะเราก็เบื่อหน่ายตัวทุกข์เต็มทีเวลาภาวนาจิตมันก็หนีทุกข์ไปอยู่ในความว่าง ถามว่าแล้วมันดีไหมมันก็ดีดีอย่างโลกโลกคือมันไม่ทุกทรมานจนสติแตกแต่ถามว่าดีในทางธรรมไหมก็ยังไม่ดีสมบูรณ์หรอกดีในทางธรรมนะต้องเจริญปัญญาได้อย่าหนีความจริงคนที่หนีความจริงนะมันหลบหนีความจริงมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงเคยรู้จักได้ยินชื่อนกกระจอกเทศไหยนกกระจอกเทศนะเวลาศัตรูมานะี่สิงโตมานะี่ แทนที่จะรีบวิ่งหนีนะเอาหัวหมุดเข้าไปใต้ปีกตัวเองไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วสิงโตไม่ทำอะไรเราแล้วนะสิงโตยิ้มหวา น, นเจอไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้กินทีหลังนะเลือกอีกตัวที่อยากกินก่อนไอ้ตัวเนี้ยยังไงก็ได้กินนะเวลาเราพอนาก็เหมือนกันนะเรากลัวทุกนะแล้วก็เอาหัวซุกปีกหนะลบเข้าไปอยู่ในว่างๆอะไรอย่างนั้นนะสุดท้ายเราทนความทุกข์ไม่ได้หรอก ความทุกข์มันเป็นความจริงของชีวิตเราจะติดในความโศกว่างๆออกมาเจอชีวิตจริงนะยิ่งอยู่ไม่ได้มากขึ้นไปอีกยิ่งแย่มากขึ้นอีกเพื่ออดทนหน่อยนะสลับกันพอจิตใจพอมีกําลังแล้วถอยออกมามาดูความจริงของร่างกายของจิตใจพอดูแล้วชนมนเหนื่อยหน่ายท้อแท้มันทุกข์ทนไม่ไหวกลับไปอยู่ในว่าง วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้ดีกว่านะดีกว่าให้ว่างอยู่เฉยเยถ้าว่างอยู่เฉยเยเดี๋ยววันหนึ่งสิงโตแล้วก็เอาเราไปกินหรอกนคือกิเลสนั่นแหละมารนั่นแหละเดี๋ยวลากคอเราไปพอเข้าใจไหมเออจำเอานะหมดแล้วนาะหมดแล้วเชิญ